ในช่วงนี้มีคาถามนะคะว่าในฐานะของคาวรวาะนะคะควรเจริญสติอย่างไรเพื่อเป็นการไปสู่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนื่องจากสังคมปัจจุบันไม่เอื้อในการเจริญสติเอาในคำสอนเลยนะในเรื่องของกรรมฐานนั้นพระผู้วิภาคเจ้าตรัดกรรมฐานมีพุท ธ, ธานุสติเป็นอารมณ์เป็นต้นดังกล่าวนี้ อันนี้แปลว่าพุทธานุสติธรรมานุสติพอะจะเข้าใจคร่าวๆกวันนะสังคาศีลาจาคาคือมีศีลานุสติและกัจจ า, านุสสีแต่และอย่างแต่ละอย่างด้วยเปรียบเสมือนพ่อค้าเชื่อวิทย์การตะกะเป็นต้นโฆษณาเป็นต้นตามลําดับทีนี้อะไรไปตามลำดับทําไมพระพุทธเจ้าถึงบอกอนิสงส์บอกอนิสงส์เจ็ดประการการเจริญอนุสติเหล่านี้ ในอนิสงส์เจ็ดประการที่บอกเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวใช่ไหมหน่ายในที่นั้นคือหน่ายจากวัตะทั้งหลายเป็นต้นด้วยเพื่อคลายกำหนัดคือคลายราคะโทสะโมหะเพื่อดับนิโรธาญาเพื่อดับคือดับราคะโทสะโมหะแล้วก็ดับวัตฏะด้วยและก็เพื่อเพื่อหน่ายแล้วก็เพื่อดับเพื่อเข้าไปเพื่อความสงบ สงบราคะโทสามโมหะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อพระนิพพานเจ็ดอย่างอา น, นิสงส์อนุสติเจ็ดอย่างกับอา น, นิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานก็เจ็ดอย่างเหมือนกันแตกต่างกันหน่อยแต่อันเดียวกันฉะนั้นอนุสติมีตั้งแต่จาคานุสติสีลานุสติไปจนถึงพุทธานุสติก็คือการเจริญสติปัฏฐานที่เหมาะกับคารวาสที่เอามานำเสนอที่เอามานำเสนอ ที่เหมาะเพราะเดี๋ยวดูหน่อยว่าท่านสอนยังไงนะท่านสอนบอกว่าขณะภิกษุเจริญกรรมฐานท่านบอกว่าถ้าไปเจริญกรรมฐานอื่นๆเช่นเช่นถ้าไปเจริญกายยกตานสติหรือเจริญอสุภ า, ากรรมฐานจิตเจระเอื้อมละ เอาบางคนเป็นไหมเมื่อกี้ถ้าขึ้นภาพที่ไม่งามเนี่ยนะลองขึ้นภาพเมื่อสักครู่ดูนะภาพที่เป็นาภาพที่คนพิการนะนะที่มีแต่หัวถ้าดูอย่างนี้ยอย่างนี้เอื่มละอาไหมถ้าอย่างนี้จะเอื่มละอา เพราะถ้าดูแล้วเบ็ดเสร็จนี่นะ้ถ้าให้พระดูสักแป๊บเดียวหรือาว่าคารวะดูแป๊บเดียวเนะี่ยจิตก็จะบางทีเบื่อแล้วเบื่อในที่นั้นไม่ใช่เบื่อที่เป็นไปกับกุศลนะเบื่อแบบโทสะเบื่อไม่อยากมองใช่ไหมอย่างเงี้ยภาพอย่างนี้อยากมองไหมถามว่าอยากจะเอาไปเป็นภาพฝาผนังติดบ้านไหมอย่างนี้อยากไหม เนี่ยจะเอือมละอาอย่างเงี้ยพระเจ้าก็เลยบอกว่าบางท่านไม่หมดถามว่าถ้าตอนมีชีวิตอยู่แครเท้าเหยียบหัวอะไรอย่างงั้นโกรธไหมโกรธไม่โกรธยมวัดโกรธไหมโกรธไหมถ้าตอนนี้โกรธไหมไม่ใช่ถ้าหากว่าตอนมีชีวิตอยู่โกรธไหม ก็ฟังธรรมะมาตั้งนานยังโกรธเลยจริงถ้าฟังธรรมะมาแล้วก็น่าจะเอ๊ะจริงๆคิดว่าการฟังธรรมะมีผลอย่างการละเรื่องเหล่านี้ได้บ้างไหมได้ใช่ไหมแต่อย่างนี้เกินไปไหมเกินไปไหมนี่ความคิดเราเกินแต่จริงๆไม่ได้เกินหรอกใช่ไหม จริงเราไปคิดว่าเท้ากับหัวนี่เท้ามันอยู่ต่ำเราไปคิดอย่างนั้นใช่ไหมเท้ามันอยู่ต่ำถ้ามองแสดงว่าหัวเนี่ยหัวนี่ลังเกียดเท้าใช่ไหมอย่างเงี้ยถึงไม่อยากให้เท้าถูกอะ่ะใช่ไหมเอ๊ะเราพ่อแม่บางคนเนี่ยพ่อแม่บางคนเนี่ยเวลาลูกเกิดใหม่หมรักลูกเนี่ยเอาลูกเหยียบบนหัวได้ไ แล้วไม่รังเกียจหรือเท้าอย่างนั้นน่ะทั้งก็เท้าเหมือนกันเน่ะเห็นไหมเนี่ยพอพอรักแล้วทําอะไรก็ได้ใช่ไหมขออภยนะัยในบางคนเนี่ยลูกปัสสาวะลดหัวไม่เป็นไรนะหัวเลาะชื่นใจถ้าคนอื่นเป็นปัสสาวะลดอย่างนั้นน่ะโอ้โหก็ลงเป็นสาเลยบางคนฆ่ากันตายได้ในะปัสสาวะลดหัวกันนี่แต่ถ้าลูกปัสสาวะลดหัวไม่เป็นไรเออไหมให้อภัยหมดเลย ทีนี้ท่านทั้งบอกว่ากรรมฐานเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นกรรมฐานเดิมเมื่อกําลังพิจารณากรรมฐานในลักษณะอย่างนั้ น, นจิตใจก็อึดอัดพระุทธเจ้าก็เสนอเรื่องพุท ธ, ธานุสติถามบอกว่าบุคคลหรือใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะก็พิจารณาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นต้นเหล่านี้พิจารณาต่างๆเหล่าเนี้ยก็เห็นคุณของพระพุทธเจาา้า ในขณะที่ระลึกเห็นคุณของพระเจ้าหรือระลึกจาคานุสติหรือสีลานุสติก็แล้วแต่นี่นะที่เดินไปแล้วเนี่ยในส่วนจริงนั้นก็ทําให้จิตนั้นเริ่มเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาจิตเกิดปลาโมดเกิดปีติเกิดปสัสสติเกิดสุขโสมนัสแล้วก็จิตเป็นสมาธิทีนี้พอจิตเป็นสมาธิเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะจิตนั้นประกอบไปด้วยสติเท่านั้นที่ระลึก แล้วก็กาหนดรู้ว่าก็จิตนี้แล ว, ว่าโดยขันแล้วเห็นไหมท่านแยกแล้วหลังจากควรต่อการงานเบ็ดเสร็จนี้ท่านเริ่มมาแยกรูปธรรนามธรรมแล้วถามว่าจิตที่ไประลึกนั้นนะจิตนั้นว่าโดยสภาพของขันแล้วเป็นวิญ ญ, ญาณขัขขันเป็นวิญญาณัขันเวทนาที่สัมยุญกับจิตนั้นเป็นเวทนาขันอันนี้พูดถึงหลักหลักคนเข้าใจดีอยู่แล้วนะ สัญญาที่สัมพยุติกับจิตนั้นเป็นสัญญาขันสังขารทั้งหลายมีสติเป็นต้นที่เป็นตัวเข้าไประลึกนั้นเป็นสังขารและขันรู ป, ปธรรมทั้งหลายที่นามธรรมาเหล่านั้นเกี่ยวข้องเป็นไปอยู่นั้นเป็นรู ป, ปขันก็แยกเรื่องพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็วิจัยเป็นไปตามลําดับแล้วก็เริ่มเห็นเหตุ ป, ปัจจัยของรูปและนามเหล่านั้นว่า พราะอาวิชาันหากรรมเป็นต้นอะไรเนี้ยเริ่มเห็นปัจจัยยกขึ้นสู่ไตรลกกักษณ์เขพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เขาบรรลุไปในมุมแบบเนี้ยในการปฏิบัติเขาบรรลุนี่เห็นไหมเนะี่ยมาจากอนุสตินั่นแหละแต่ก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้ด้วยการแยกสภาพจิตได้เมื่อจิตนั้นอ่อนควรต่อการงานแต่ถ้ามาแยกตอนนี้มันไม่ได้ไงเพราะตอนนี้สภาพจิตมันแข็งค มีคำถามในช่วงนี้นะคะที่พระอาจารย์ได้กำลังกรุณากล่าวถึงในแง่ของการพิจารณาโดยรูปนามนะคะเท่าที่ฟังแล้วพอจะประมวลที่พระอาจารย์กรุณาแสดงมากว่าที่เราจะไปถึงขั้นถึงการพิจารณารูปและนามเนี่ยผู้ปฏิบัติใหม่หรือว่าผู้ที่กำลังของสติสมาธิปัญญา ย, ยัางไม่มากพอ ยังไม่เข้าในเรื่องของการเจริญรูปนามอย่างนี้หรือเปล่าคะใชถ้าหากในตอนนี้อย่าคิดแค่ไปแยกนามแยกรูปเลยตอนนี้ขนาดเดินทานกุศลให้แข็งแรงก็ยากกันแล้วศีลกุศลให้แข็งแรงก็ยากแล้วตอนนี้เป็นอย่างนั้นนะถ้ารู้จักตนเองอย่างนี้เสียเนี่ยจะได้ระดมเรื่องทานศีลเข้าสู่ภาวนายัางไง